ยาีเรียเื่องเคราะห์กรรมกับไวเบนจเพศวันก่อนมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งอายุ25ปีมาหาหลวงพ่อ มาถวายสังฆทานพอถวายเสร็จบอกว่าท่านช่วยรถน้ำมนต์ปัดรังควานสะดอกเคราะห์ให้ดิฉันหน่อยค่ะหลวงพ่อบอกว่าไม่รถรถไม่เป็นอาตามาดูโงเ่เฮงแล้วโยมไม่มีเคราะาห์เมื่อวานนี้อิฉันนะ่ะไปหาหมอดูดูดวงมา เขาบอกว่าปีนี้เข้าช่วงเบญจเพศจะมีเคราะห์จะเกิดอุบัติเหตุต้องทำบุญถวายสังฆทานและสะดอกเคราะห์พระจะมารู้ดีกว่าหมอดูได้ยังไงแน่มันหาว่าหลวงพ่องโง่หมอดูนั่งหลับตาทำนายเชื่อหมอดูซะแล้วพระลืมตาทำนายกลับไม่เชื่อ หลวงพ่อเบื่อจริงๆเลยคนพวกเนี้ยอมผู้หญิงคนนั้นพูดสามอีกว่าพระจะรู้ได้ยังไงว่าคนเบญจเพศจะไม่มีเคราะห์ไม่เกิดอุบัติเหตุล่ะคะรูสีอาตจจมาเป็นพระนะไม่ใช่เด็กเลี้ยงควายการจะทำนายอะไรจะเชื่ออะไรมันต้องมีหลักการ ยมลองดูซิพอเกิดอุบัติเหตุมีคนตายไปดูสิว่าไอ้คนที่ตายนะอายุเท่าไรก่อนยี่สิบห้ามีไหมมีค่ะหลังยี่สิบห้ามีไหมมีค่ะสรุปก็คือถ้าเกิดมีอุบัติเหตุอายุเท่าไรก็มีสิทธิ์ตายเท่ากาันทั้งนั้น โยมเคยเห็นไหมรถคันหนึ่งมีผู้โดยสาร20คนพอเกิดอุบัติเหตุไอ้คนอายุ25ตายคนเดียวที่เหลืออายุน้อยกว่า25มากกว่า25รอดหมดเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นเจ้าค่ะไม่เคยเห็นแล้วไปเชื่อมันทำไมหมอดูนะ Yeah. <laughs>